คนเราทุกๆคนคงจะไม่คิดกันนะคงจะคล้ า, ายๆกัน ต, ตัวของผมหรือตัวของอาจารมานี่เป็นเด็กบ้านนอกเกิดบ้านนอกเกิดที่ตำบลบวงอมอำเภอเชียงคานจังหัดเลยแต่สำนับตำบลบวงอมขรานั้นยังไม่มีถนนคนทาง บ้านที่ห่างไครจากความเจริญเป็นเด็กที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนเพราะยังไม่เคยมีโรงเรียนแถวๆนั้นนะไม่เคยไปโรงเรียนจึงไม่ได้เรียนหนังสือเมื่ออายุสิบเอ็ดปีกว่าเนี่ยก็เลยมาบวชเป็นเนรมีคนให้บวชเป็นเนรมาบวชเป็นเนนในยุคนั้นก็มียากเลือกเป็นหลวงนา ท่านเคยเป็นกรรมฐานมาอาจารย์คนนี้เรียนมูลกระจายมาจบ จ, บจบากธรรมดูโบสถ์สมัยนั้นการบวชก็ไม่ต้องมีอุปสรรคเพราะมีอ 5, ายุห้าพรรษาแล้วก็บวชได้บวชภาคบวชเดินได้ท่านขอบวชด้วยเองบวชแล้วต้อก็ฝึกกรรมฐานให้แล้วก็เรียนเรียนธรรมะท า, าเรียนหนังสือธรรม เป็นตัวนังสือติดอยู่กับใบลานแต่ท่านก็บงังคับหลายอย่างท่านบังคับให้ทำถ้าไเรียนนังสือบ้างทำกรรมฐ า, านบ้างตยงยายไปใกล้ๆท่านกันถ้าไม่เหมาะโดยกานท่านกดดูเอาบางทรงก็กดตีเอาสาลาให้หม้อสามเอาะหาดใกล้ครูคบาอาจารย์เนี่ยไปแรงๆไม่ได้ท่านดูเอาตีเอา แล้วก็เป็นเด็กก็จําป็นต้องเรียนฝันในยุคนั้นสมัยเมื่อกําลังศึกษากรรมฐานนั้นท่านให้นั่งขุดสมาธิอย่าขุดธมาเทศเอาขาหัดกันแล้วมันง้อไปข้างซ้ายข้างัวมันขาวมันไม่ออกแต่มันติดกันแต่ที่จะทําที่ตรงนี้มันก็สถานที่ยังไม่เหมาะสมขามันขัดกันเอาไว แล้วก็หลับตาให้นึกว่าหายใจเข้าพุกธหายใจออกโค ท, ทำสิ่ง น, นี้รู้สึกว่ามันได้จังหวะกันดีแล้วทั้งก่อให้ดูลมหายใจเข้าทั้นออกยาวท่านขก่อนแล้ะสอนจากนั้นมาท่านให้ดูลมหายใจยาวละเอียดท่านสอนได้ผมสงบดีจากนั้นมาอาจารย์ก็หายไป ท่นก็ไปเมืองลาวเพาท่านคิดเมืองลาวมากไปด้วยไปด้วยอาจารย์ถายตาใอาจารย์ตัวเองก็ต้องเดินไปเนะียเดินน้องติดอาจารย์ตัดมาอยู่เมืองลาวท่านใจ ม, นมันคิดถึงบ้านเด็กน้อย ม, อ ม, ม, ม, ม, มันคิดถึงบ้านถ้าวัดคุ้บ้ามันน้ำตามันไหลออกมาันทีมคิดถึงบ้านแล้วก็เลยค คุณมาอยู่ที่บ้านก็มียาอาจารย์อีกรงึ่งมาสอนแล้วคุณต้นไม้ต้องขึ้นไปแต่ต้นต้นทันวันขึ้นไปแต่ต้นนั้นทันยังไงทันถนักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกสิบให้ได้จังหวะอับลมหายใจท้าหายด๋อ น <S <S <piano> <ary> ับถึงสิแลด้ทั้งให้นับจากสิลงมานู้นสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งท่านสอนอ่งอันนี้เป็นขังจะด้วยท่านสองถ้าพามีปาดเนี่ยคัดนใจต้องนับเต่าแล้วก็อขัดเลือกได้แล้วก็คงขังถ้าจะเรื่อนดีๆเอาะตากถีได้ อาจารย์สอนสอเรื่องขังเรื่องษษษติดตัวเองก็อยับขังยับติดติดแล้วแบบอยักหายตัวได้แล้วประหยักมุดน้ําไปใต้น้ําได้อยากเดินตามผิวน้ําได้มันสร้างคิดไปทุถ้ามีคนพูดอะไรสิ่งที่ดีๆนะมันต้องการอันทีแต่ของสิ่งนั้นทำมแล้วมันไม่ได้เรื่องอะไรสิ่งนั้น ในยุคนั้นหวดอยู่ได้ปีหกเดือนโยสองพันสามทำกรรมฐานทำอย่างนั้นและจากนั้นมาไม่ได้ทำสัมมาละหังเหล่านี้เลยแะ้วก็เรื่อว่าของยุกหรืออนาปานาสติเหล่านี้ในระยะสิบออกมาเป็นเป็นเตียงเรียเตียงเตียงเตียงเป็นเนนสี่ออกมาเรียว่าเตียง ยังมีการถือศีลอาจะมาต้องถือศีลตัวจะล็อกตัวบป่าคนทับทำผิดสินต้องไปตกนรกคนใดไม่มีศีลน่ต้องไปตกนรกท่านสอนนะครัอกตัวปลไปเห็นขวาผนังศีลท่านแต้มเอาศีลูกภาพเอาไว้ตัวเป็นคนหัวเป็นสัตว์บางคน บางคนหัวเป็นคนตัวเป็นผัดคนไปตุกนรกเลือดดำเลือดแดงเอามาจ่าโยมปีบานออกหอกเนี่ยหอกหน่อยยาวเนี่ยแทงสลักหัวลงไปเจ็บเพราะเลยกลัวกลัวไปตุกนรกอยากได้หน่อยสินะครับขเขาพยายามรักษาติดและอออายุ ยี่สิบปีก็มีผู้ให้บทอีกแล้วบทเป็นพระแบบนี้ระยะบทเป็นพระนี่ย้ อ, ยยองตัวแล้วเดียวกมนานเรื่องทำกรรมฐานเนี่ยไม่ต้องถามใครเขาได้สั่นเข้ามือเดียวเดีย๋ยวสั่นเข้าเอคาอยู่ในโบทแลก็ทำเลยทีเดียวเนี่ไม่ต้องถามใครแล้วเพราะเคยทํามาแล้วอย่างเนี้ย แระยะหกเดยจนะต้องทำเ ท, ท่านั้นทำจริงจริงจังๆแต่ได้โกงมบตสมบัติตดีแต่เมื่อมีคนมาพูดที่ไม่เพาะหรือไม่พอใจก็ยังมีความเดกอดร้นร้อนใจตัวเองแต่ไม่เข้าใจว่าความร้อนใจถึงคุกไม่เข้าใจแต่เข้าใจจริงจริงของนันทำพสมบัติไปดีนั่งได้ภายในสิชั่วโมงนี้ สองชัวโมงนี่นั่งได้สบายฝึกออกมาบเนี่ยฝึกออกมาก็บางข้งั้งบางค้าวก็ทำดุจศีลดุจศีลแดไม่เคยให้ผิดนักแบบนี้การทำมาหากินอย่างที่พวกเราเราทุกคนเนี่ยจิตใจคนต้องเป็นอห่านั้นบนี้มีคนทำบุญก็เป็นผู้นำรัตนาศี รัฒ น, นามงคลรัฒ น, นาเทพถวายอาหารให้ผาะกินได้เพราะศึกษาเราเรียนเปเมื่อสมัยเป็นเลนครูบาสอนให้อย่างนี้นทำมาซิ่งเหล่านั้นอย่างไม่บุญต่อมาเขามามีควบหัวในระยะมีครอบครัวต้องทำบุญทำบุญบ้านประจําปีทางพรรษามาต่างทบุญบ้าน แก่ข้าวอย่างนี้นอกจากการแก่ข้าแล้วก็ตอนน้องมีการบวชหน้าทำการบวชหน้านี่อย่างน้อยที่สุดต้องติดผมเอาหน้ามาบวชเป็นพระแต่เราต้องการบุญแต่ยังไม่เคยรู้ว่าบุญคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่เคยรู้แล้วก็เคยทำกงกระถินบ้างสมัยนั้น ยังไม่มีคนทําบุญสังขอมผาก็มีคนแก่คนหนึ่งแต่ไมนั้นเราเป็นผู้นํำในบ้านนั้นทำไมนะท่านก่อแล้วท่นวานท่านเยาวลัมึงตนะูนี่แหละมึงต้องทานะทนะําแต่ว่าเรื่องการทำมัได้ต้องทําทําบุญสังข์อาผ้าต้องมีดอกไม้เงินดอกไม้ทํา แล้วก็มีดอกตัวหลวงเป็นร้อยจอกตัวในน้อยๆดอกพวกที่แดงเป็นธรรมธรรมแล้วกนมีดอกเนี้ยขาดอกเนี้ยขัดเอออะไรนะเกิดได้เพราะเราเป็นผู้น้ําเป็นผู้นําเนี่ยต้องเป็นให้ดีๆคนเฒ่าคนแก่ก็หันหลังมาถือแม้ทาอะไรไม่ต้องหัดขอคนเฒ่าคนแก่เลยว่าเตียมผีเฒ่าเียม เ, เ, เจ้ายื้อหนึ่งคนวะ คนท่าคนแก่ก็พ อ, อใจนะครับพูดของตัวเองพอตัวเองไม่เคยดุคนมากเท่าไหร่มีเรื่องการทําบุญเนี่ยเาใจเอาเลยทีเดียวก็ยังไม่รู้ว่าบุญคืออะไรดูที่ไหนจุดสําคัญที่สุดคืออะไรไม่รู้แบบนี้เขาเลยมาตัดใจหมดที่มาเจริญสติแบบทางเคลื่อนไหวทันทีเพราะว่าเดี๋ยวนี้โกรธใน เป็นเวลาคูกมาเด็สิบนาทีแล้วคุณครูปันเมื่ออายุสี่สิบหกปีนี่ในช่วงนั้นอายุในเกณน4สี่สิบีปีได้ฟังเทศอาจารย์คนหนึ่งเป็นมหาปรเรียห้าประโยคพระองค์นี้เคยติดตามอมาจารย สมัมนั้นอาจจะมามีเรือสลาเรือของเรือสลาเอาไว้ต่อมาหายเรือนสลาแล้วก็เลยมาซื้อเรือคนไสอันนี้ไม่ใช่พูดหัวตีนะพูดมองพุดมากจะไปหาไว้ทุกคนจริงสุกคนสัน่งือเรือคนไสแล้วอาจารย์ก็ติดตามขึ้นลองด้วยท่านก็พูดเรื่องกรรมฐ า, านให้ฟังแล้วก็สนทนากันบันบ น, นี้ตองที่ไปสนธนากับ ทั้งเต่หกโมงเช้าจนถึงหกมงเย็นมีแม่ขาวมีพระหลายองค์ไปสนทนากันเรื่องธรรมะเพื่อนแม่ขาวกับพระด้วยกันเสร็จดังอาจจะมาสนทนากับพ้าองค์นี้พระองค์นี้ก็พูดเรื่อยๆไปอาจจะมาก็รู้เนี่ยเรื่องธรรมะาาก็รู้ถามกันเลยถามมาบางทีท่านก็แก้ไปอย่างนั้น กัวคถามแลปอะไรนั้นเขาคำถามตัวเองมารับเอก็ต้องถามกันเรื่อยเป็นการศึก ษ, ษาเป็นการทำเมืพอเช่นทุเรียหายไปทั้งหมดเลยแม่ขาก็หายไปทั้งผ้าก็หายไปหม ด, หหมดสองคนแบับ น, นี้เอาคนเลยแบบนี้สองคนใครมียังไงก็ถามันเลยถามคนจชีนทุกถึงตุกสงสารท่านคนเลย พ, พูดเรื่องธรรมะจะพูด ันให้มันจบมันสึ้นมันจบไปไดายาย้ถ้าอยากรู้ต้องปฏิบัติเอาเองท่านว่อย่างนี้การปฏิบัติเอาเองผมก็เคยปฏิบัติมาแล้วก็ฟังคำนี้มั่นใจไว้สองปีฟังอยู่อย่างนั้นครับแล้วก็มันก็พยายามทนะํามาแล้วปัดมีโยงสองปีแล้วเราก็องควรจะาัดสิจอนนี้ก็เลยตัดสียใจ เราเพื่อเนี่เพื่อธรรมะเกื่มาแล้วคมสุขมันหนีม่อคงทุขที่ไหนเขาว่าสวองหลังในานในกายแล้วจึงจะเอามันเก็่นลุกล้างหลักศาสนาอย่างไงอยากรู้แบบนี้กลัวนรกในกลัวจริงๆอะมาไม่ไม่ทําผิดจริงๆสักพาวนั้นกลัวนรกมาวิธีที่ไปศึกษากับอาจารย์อาจารย์ก็เลยได้อยู่ที่นั้นท่านก็รู้พอดี่ไปถึง ท่านเขาไม่มีอุตสิไม่มีที่พักให้เขาเป็นทืกับตัดตัวพร้อมข้าวยุงข้าวเนยะคือดูไม่สุขสบยเราข้าวใ่เขาซสามอยบาทไปจ้างคุณยนปูกให้เนโยงเขาจ้างต้องปุูกให้พอดี่ปลูกอุตสิแล้วอาจารย์เ็เลยบอกว่าไม่ได้อยู่หอมแต่ไปหลงพระบางไปจำาราหลวงพระบางเออจะดีเหมือนกัน เรามาแล้วไม่มีใไรยสอนเขาดีก็มีหลวงพวันทองสอนอยู่ที่นาาั่งชายุ70กว่าปีหลงพวันทองก็ดีนักการสดีท่านก็สอนให้โดยจมกมอย่างสูงฟูงยกคนขนยกต้นหนอยกหนอไปหนอลงหนอหูกหนอกดหนอนสอนคำนดิงนี้ สอนเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ทานลงมือถามเพียงเพียวฝึกขัดแต่เพียงเงเราฝุกขัดมาแล้วแปดปีเรื่องนี้ฝึกขัดมาแล้วแปดีท่านไม่รู้ว่าโวัวคือฝึกมาแล้วไหมท่านไม่ถามท่านเป็นหน้าที่อาจารย์ท่านถอนไปเลยฝึกขัดกับท่านหลายวิธีท่านสอนเรอก็ดีเหมือนกันกเราเลี้ยงกับท่านเลี้ยงกับท่านแในบทนี้ท่านมาให้ทํา หายใจเข้าตายหายใจออกตายภาวนาตายคราวนั้นก่อนที่จะเข้ากรรมฐ า, านต้องมีการขอกรรมฐานสมถานสานุโบสุสินขอเลือกเป็นขอกรรมฐ า, านจากท่านพวกขอกรรมฐ า, านแล้วท่าก็สอนอย่างนี้มาทําทําไปทํามามันง่วงนอนง่วงนอนก็นอนไปยังไงกับนี่ มานอนหรือมาทำไม่มาเจริญกับมาฐานเอ๊ะมาเจริญกับมาฐานนอนทำไมเนี่ยมันคิดให้ตัวมันเองมันถามตัวเองลุกขึ้นมาพอได้ลุกขึ้นมาก็ปุ๊บปั๊บเนี่ยขี้เกียจแต่แแล้วเราว่ามาจนตายแล้วนะตายตายเนี่ยมันเหนื่อยแนละนอนไปอีกแล้วนอนเลยมันก็ถามตัวมันเองอีกแหละนอนทำไมเพื่ออะไรมาทำไมมาเจริญสติ พัวเองเป็นบ้าไม่รู้เลยเรื่องนี้เรื่องคนบ้ามันทำาอือัดใจจนหนนโอโหนอนลงไปประมาณจากสองสามนาทีลุกขึ้นมามันทำตัวมันเองจากสองสามนาทีนอนลงไปมันเป็นอย่างนั้นไงอันนี้เรียก ว, ว่าคนบ้ายัางไม่รู้จักบ้าเป็นอย่างนั้น<ม>ก็เลยตัดสินใจนอนวันนั้ น, นอน พอดีนอนลงไปประมาณจากสองชั่วโมงนอนหลับจริงๆหลับไม่ตื่นเลยสองชั่วโมงเนี่ยหลับจบไปแล้วตื่นขึ้นมาแบบ น, นี้ประมาณจาก4สามนี่แหละมาแปลงฟันกัล่างหน้าดีๆแล้วก็เอาละแบบ น, นี้ปฏิบัติมันรองดูว่จาจะปฏิบัติยังไใงให้ราบตัวเองก็เรียนกับอาจารย์มาพอแล้วละแบบ น, นี้ทำงาน ทำงานทำจังหวะซาๆเคลื่อนไหวไปมาซาสะเดินจมคมซาสเอาอยู่งั้นนะจนสว่างขึ้นมาไม่รู้อะไรเลยตอนกลางวันมาลุงเสื้อแขนยาวนี่ยขาวนั้นลุง ก, กลางเต่งขาสั้นทางกลางวันก็ต้องทำจริงๆมันร้อนก็ต้องทนเอาขันติควบคุมทนทันต้องอดทนสู้ ติดใจแล้วก็ต้องสู้จริงๆอ่ะสู้เพื่อจะอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจแต่ความจริงแล้วไม่อยากรู้ธรรมะก็ไม่รู้ธรรมะเผื่อเลยอยากได้มีอิทธิปติหารอยากอยากจกหายตัวได้ไปบังคุมไหมล้วไม่อยากให้คนเห็นมันเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็อยากใส้ผิวน้านี้ได้ให้คนยึดอยากเหออกได้เมันเข้าใจไปอย่างนั้นนึกว่าธรรมะเป็นอย่างนั้นจริงๆ พ่อครูบาอาจารย์พูดให้ฟังพ่อแม่ปู่ย่าตายายพูดให้ฟังมันเข้าไปในมันสมองหรือยนี้ตกเย็นมันเนี่ยอาบน้ำมาแล้วบัดนุ่งกางเกงหายาวกว่านี้นนเสื้อแขนยาวเอามืองลักมันเนี้ ย, ย, นนยทำอยู่อย่างนั้นตลอดมาดึกนอนนอนแล้วบัดนี้เตินขึ้นมากับประมาณตีสองปัวนี่แหละ เอาทำจังหวะเดินจมคมเอียงซ้ายเอียงขวาทำจังหวะไปจากนั้นนะเอาแต่คิดได้แต่เนี่ยก็ทำไปตะพุตัะเืลอไปนะเยาว่าเราหาทางตกเข้ามาตอนนี้ก็เลยมนุษย์การเจอขาสั้นตอนเศ้าตอนมันเปลี่ยนชุดแล้วข่าวนั้นไปปฏิบัติธรรมจ้างเขาให้เขาซักเสือ้อซักผ้าซักลีดให้อย่างนู้น ถ้าไม่รีกเกาะละอายเนี่ยมันเป็นคนพยศอันนี้แหละที่ว่ามีมานะเมทิติถือเนื้อถือโต๊วจ้างลูกจานแดงนี่แหละฝักให้เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะว่าจานแดงเนี่เป็นเพื่อนกันแม่แกนเนี่เป็นคนทำอาหารให้กินเป็นยางไก็เลยทำมาทำมาตอนปี่ห้าดูลายมือนี่ยังไม่สัดดี มแมงปองตัวนึงตกใส่ขานั่งพเัเพียบขามันลุกเข้ามาเนี่ยแมงป่องตัวนึงตกใส่ขาเนี่ยเอ๊ะตามปกติมันต้องตัดทิ้งไวๆตัดที่ตกใส่ขาขานั่นก็เลยไม่ปัดเลยพิจนาเอ๊ะทําไมแมงแมงแมงงอดบ้านอาจจะมาเรียกแมงงอดเอ๊ะทาไมมันไม่กัดเราเข้าใจเอ๊เราก็ทําไมจีไม่ตีมันเปนยังไงครับน้อ เคยเข้าใจเรื่องลูกนามขึ้นมาคราวนั้นเอะแมงงอดนึกว่าว่าแมงงอดอาจจะไม่รู้บางขนแมงปองแมงปองนี่ทําไมมันไม่กัดเ้าโอ้แมงปองก็เป็นลูกเป็นนามเหมือนกันเอ๊ะขาเราก็เป็นลูกเป็นนามเหมือ น, นเอ๊ตัวเราก็เป็นลูกเป็นนามเหมือนกับทั้งตัวเลยแมงปองเขาเป็นลูกเป็นนามนำกัดทั้งตัวเลยแมงแมงแมงปองไม่ลูกออกพอที่มันตกได้ขาลูกมัน ก, กระจายออกไป แม่มันมู่งี่เจตัวนั้นเนี่ยนานพอสมควรไปเลไปหาเอาไม้มาติดขาหลับไม้ประมาณจากซอกนี่แหละเต็กขาพอเนื้อมันไหวแมงป่องก็เลยไตเข้ามาจับไม้ ท, ทันทีพอดีมันจับต้นนั้นเออมันเราก็มือจับต้นนี้พอดีมันไตมาต้นนี้เราก็กลับไปจับต้นนั้นไปวางว่าคันแทนนะหรือว่าคันนา้าวางไว้แล้วก็กลับคืนมา เจะเดิญสติตามเดิมแล้วก็มีคุยสองตัวอีกแอบหนึ่งคุยถึกใหญ่ๆโซนขันขาวนั่นมันคาดไปโซนไปอยู่ท่งหนาแล้วเขาเบื้งคุยโซนโอ้มันไม่รู้แม่มันเจ็บแทบจะตายแล้ยมันเป็นยังไงโซนกันโอ้เราผู้ชอบคุยโซนควยข้านั่นเน่ยชอบดูคุยโซนควยบ้างมาดูตัวเราบ้างโอ้โหตาย ก็เลยรู้ลูรทมน้ำทำโอ้ธรรมะคือตัวเราจริงตัวเราเองเป็นธรรมะเข้าใจเรือนี้จริงจริงเมื่อเข้าใจธรรมะเนี่ยโอ้เข้าใจรูปโลกคนมาโลกโลก โ, โลกนี่มีสองแนลรูปโลกน้มโลกเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นจริงเข้าใจจริงๆนะ่นะมันรู้แล้วไม่หลงไม่ลืมจริงๆ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 โลกทางจิตใจได้บ้เนี่ย โ, โลกทางจิตใจพอใจไม่พอใจดีใจเสียโอ้อันนี้จิตวิญญาณเป็นโลกจิตใจเป็นโลกต้องอาศัยการเจริญสตินี้เองรู้จักอันนี้แนละ้วกพลิกมือขึ้นขั้วมือลงก็เลยรู้จักผูกขังอั น, นิีจอย่นัตตารู้จริงจริงนันเป็อย่างนี้ ในสมัยนั้นอาจารย์สอนว่าทุกขังอนิยจังอนัตตานั้นผมงอกฟันหักเนื้อหนังมันแห้งแห้วเขา้ามันย่นยออ่อออกเป็นอนัตตาเมินวัคคบันสามัได้เลยรู้อันนี้แล้วก็เลยรู้สมมติพอดีรู้สมมติรู้จริงจรงิรู้ให้ครบให้จบให้ทั่วโอ้บวชแล้วก็สึกแม้เราเป็นเนรเนี่ย กบวจนแล้วก็สึกมาเป็นโยมเป็นเสียงโอ้สมมติจริงตอนนี้อายุยี่สิบทีก็ไปบวชอีกแล้วโอ้มันสมมุติเอากว่านี้นี่มันเขา้าใจยังนะโอ้ผีแบบนผีก็สมมุติจะมีกิตคนไม่มีญาณไม่รู้เคยได้ยินไหมผมกันคนทําชั่วพูดตัวเขาว่าไอผีทาไปผู้ชายคนทําดีพูดดีเขาว่าเอออิตานี่ คือคือพระธรรมเป็นคือมันไม่ได้เห็นตัวพระธรรมมันคือแต่บุคคลที่ไม่มียาต้องคือออกแต่เมื่อมียาเนอะโอธรรมะบุคคลใจดีคนลใจใจดีแบบ น, นี้ก็เลยรู้จักเทวดาขึ้นมาโอเทวดานี่มันเป็นอย่างนี้คนใดมีหินอตัปปะโอเทวดามันเป็นอย่างนี้โอเราก็เป็นเทวดาได้แบบ น, นี้ เข้าใจว่าเป็นเทวดาได้จริงๆข่าวนั้นแต่ยังเป็นผ้าไม่ได้เป็นมนุษย์ได้จริงๆข่าวนั้นนะ่ะเป็นได้จริงเมื่อเป็นเทวดาได้แล้วมองดูสภาพควมเป็นอยู่เรื่องสมมุติรู้จริงๆเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนั้นเป็นตำรวจทหารสมมุติทางนั้นตัวคนยังเหมือนเถือแต่คนก็เลยไปหลงติดสมมตุติลืมตัวไปเป็นอย่างไนติดยศ ติดลาบติดซื้อติดเสียงอะไรติดไปทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียวติดบุญติดศิลโอ้โหหลายเรื่องพอดีรู้อันนี้แล้วไงเลยรู้ศาสนาศาสนาเป็นว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้รู้จริงจริงศาสนานี่คคำสั่งสอนสอนหูสอนเข้าหูคน โอ้ตัวคนทุกคนนี่ติเป็นตัวาศาสนาเขออ้าใจยั ง, งเอ๊ะคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนขาเขมรคนยวนคนลาบเป็นตัวาศาสนาทั้งนั้นโอ้าศาสนาเกี่ยว่าบคำสังสอนของทันธูรู้คนใดรู้เรื่องผีสอนให้เราไหว้ผีคนใดรู้เรื่องเทวดาสอนให้เราไหว้เทวดา คนใดมีความรู้เรื่องดูลึกดูยามเขาสอนให้เราดูลึกดูยามเสียเพาะสดดะดดโซกอะไรแล้วเขาสอนค่ะตัวเองโอ้าศาสสนาเปรว่าคำาังสอนของท่านพุทธพุทธศาสตราสนาปฏิฐานตัวเองพุทธแปลผู้รู้โอ้อะไรรู้พุทธโเกื่อนตัวไหวนี่เองมันรู้พลิกมือขึ้นมันรู้คนไม่รู้มันค่อยหายจางไป เนี่ยมันมาถามตัวเองคงไม่รู้ไปที่ไหนดิเอาพลิกมือดูสิพลิกมือขึ้นมันรู้คงไม่รู้มันหายไปเองมันไม่มีตัวไม่มีตนคงรู้ก็ไม่มีตัวไม่มีตนอ๋อมันเป็นวิธีบวกกับลบแบบนี้นะเข้าใจยนะังพอดีรู้อันนี้แล้วก็เลยลรู้บารู้บุญบาปได่อยู่ที่ไห น, นบาปคือมืดคือโม้คือไม่เข้าใจ ใครพูดอะไรก็เสือไปตะพืดนตะพื้ออันนั้นบาปมากที่สุดบุญคืออะไรบุญคือการเจริญสติเ้าเลยมีบุญขึ้นเลยบบุญมีแล้ว บ, บุญนี้ไม่ต้องไปซื้อกันก็นได้นี่โอ้ยไม่ต้องคือใครบุญมันมีแล้วก็เลยดูบุญบุญคือรู้คือสลาดคือแจ้คคือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้เลย มันเห็นทุกจริงๆเลิกได้จริงๆขายนะั้นบุรีอามานี่มึงสูบบุรีดูสิมันมันทานตัวเองสูบไม่ได้ทําไม่กินสูบไม่ได้นะนะเพราะไม่อนุญาตให้สูบไม่ได้เนี่ยอันนี้หมายถึงว่าสติสมาธิปัญญาบรรบังคับตัวโสดาโมหะโลภะได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นตอนนั้นแหละวันนี้คือความร้ฟุ้านขึ้นมาทันที เดินจมกองเขเป็นแสดงให้ผีฟังเลี่ยูน้งแล้วผีกับูนเนีมันลืนอีกแล้วตอนนี้แสดงทําแบบนี้ให้ผีฟังแสดงทําแบบนี้ให้คนฟังแสดงทําแบบนี้ให้มนุษย์ฟังแสดงทําแบบนี้ให้เทวดาฟังอน่ยตัวเองเป็นบ้าไม่รูเดินไปเดินมาแคตกเย็นตกเย็นก็ไปอาบน้ําอาบน้ํามาแล้วก็ น, นุ้งกลางเกงถ่ายกางเกงนุ้งเสือ้อเดินจมกอมกันอีกแล้ว ต้นนั้นเป็นทางนั้นเป็นต้นไข่ทางนี้เป็นต้นอะไรก็ลืมไปนะต้นมะคานต้นพุทรานะ่ะมันรับตรงกันก็เดินไปเดินมาไม่เคยรู้ความคิดตัวเองเลยคล้ายๆคือมีคนมาผักข้างนิดนึงมอ ง, มองไปงใครมาที่ตรงนี้มันไม่มีคนไม่รู้รไม่เห็น เอ๊มันเป็นอะไรนะนเนาเลยเอ๊ะเดินไปอีกไม่งามก็เลยรู้คิดตุมันคิดรูปขึ้นบอกอ๋อมันคิดเป็นอย่างนี้ก็เลยรู้ผมคิดคิดครั้งที่สามนี่ยรู้จริงจริงอ๋มันคิดว่ามันคิดนี่ไม่มีตนไม่มีตัวโอ้แหมเราเคลื่อนไหวนี่มันเป็นรูปเรามองเห็นด้วยตา อ๋อนี้คนอื่นยังมองเห็นได้แม่คิดนี่คนอื่นมองไม่เห็นโอ๋อแม่มันละเอียดที่สุดอ๋รู้ได้สดตัวเองก็เลยดูฝุ่นคิดเดินไปเดินมากลับไปกลับมาอยู่ที่ตรงนั้นแหละไม่นานก็เลยรู้สมุฐานของฝุ่นคิดแน่นอนที่สุดบอกว่าคือแมกับหนูนี่แหละ พอเดคิดปุ๊มแมวจับปั๊จุดทันทีทีแรกเมื่อเป็นอารมณ์รู้เนี่ยเหมือนกับแมวตัวเล็กเล็กหนูตัวตัวโตมันออกมาแมวมันไม่เคยข่วนหนูพอดีหนูออกมาไม่แมวมันจับปุ๊บหนูมันก็วิ่งตายเลยแมวมก็ติดไปตตอนที่ไม่เห็นขักขักแล้วพอดีมันคิดปุ๊บแมวมันจับปั๊บยางแรงแมวจับหนูมันสับตายเลยพอเราให้ฟังเรื่องนี้ มันมันเป็นเรื่องที่มาเปรียบเทียบกันไปแมวนี่เป็นครูของเสือทันวลาอย่างนั้นเสือก็ดูกมาต้อแต่เอาแมวมาสอนแมวต้องกินเสือไม่ได้เลยนะเพราะเป็นคู่ของเสือเสือกินสัตว์กินหัวกินควายกินสัตว์ต่างๆมีเลือดแมวกินไม่มีเลือดกินหนูไม่มีเลือดก็เลยเข้าใจโอ้พอแล้วจี่ก็ไม่รู้แมวมันไม่เคย หนูม่นไม่เคยแมวจับพอที่แมวจับปุ๊หนูมันซักตายมันตกใจโอพอดี่ซักตายเลือกมันไม่วิ่งเลยโอ้พอเนี่ยเล่าอย่างนั้นก็เล่าให้ฟังดีเหมือนกันในระยานั้นเราแต่งุ้เทพเอาเนื้อไปโยนต์ให้เสือกินมากินเอาเนื้อแมวไปโยนให้เสือมันก็กินเหมือนกันโอ้มันเข้าใจไปอย่างนั้นก็เลยรู้จักจิงๆรู้จัก มันมันรู้มันเป็นไม่ใช่มันรู้มันเป็นมันเป็นมันเห็นมันรู้มันเข้าใจสัมผัสได้จริงจริงตอนเห็นวัตถุวัตถุคือแผ่นบินนี่ก็เป็นวัตถุเดี๋ยวก็เป็นท้องฟ้าก็เป็นวัตถุเดี๋ยวต้นไม้ภูเขาห้วยหนองคลองเมืองอะไรเป็นวัตถุทั้งนั้นโอ้วัตถุภายนอกมองเข้ามาตัวเองมือเท้าก็เป็นวัตถุ เนื้อหนังเป็นวัตถุมันเป็นวัตถุยะโยนให้เสือกินมากินเอาเนื้อแม่ไปโยนให้เสือมา ก, กินเหมือนกันมันเข้าใจไปอย่างนั้นก็เลยรู้จั ก, กรู้จักมันมันรู้มันเป็นไม่ใช่มันรู้มันเป็น มันเป็นมันเห็นมันรู้มันเข้าใจสัมผัสได้จริงจริงตอนเห็นวัตถุวัตถุคือแพ่นดินก็เป็นวัตถุเดี๋ยวขึ้นไปท้องฟ้าก็เป็นวัตถุเดี๋ยวต้นไม้ปูเขงห้วยหนองคลองเบืองอะไรเป็นวัตถุทางวัตถุภายนอกมองก็มาตัวเองมือเท้าก็เป็นวัตถุเสื้อหนังเป็นวัตถุมันเป็นวัตถุอ๋อวัตถุหมายถึงของจริง จิตใจที่มันคิดที่กขาเป็นวัตถุเหมือนกันให้มันเข้าใจกันะ mm. ก็เลยรู้จักวัตถุชัดเจนก็เลยรู้จักปัญญามัดขึ้นมาปัญญามัดหมายถึงของจริงตาเรามอง ก, กร็จังเห็นองศามองลงไปที่ถึงโคตกําลังจิตมองต้นพุกราต้นมาะต้นนมะแากต้นหอมก็เห็นโอ้มันเป็นปัมัตจิงจัดเมื่อเราไปเห็นโอ้นี่ก็เป็นปลญญามาด คิดกำลังคิดที่คนเห็นเป็นปรามัดจิงอาการโอ้ห อ, อมไหมหวานีหบางทีก็มีเมฆบางทีก็ไม่มีมันเปลี่ยนแปลงไปแผ่นดิเนี่บางทีที่นี่มันเป็นหนุมเป็นบอลนนา น, น, านมาคนเอาดินมาถมมันก็ลากขึ้นมาที่สูงสูงก็ตันลงไปโอ้อาการสภาพควเปลี่ยนแปลงมันเป็นอย่างนี้ต้นไม้บางคนตายเป็นดั่งนี้โอ้เนื่อหนังเราก็ปุงดี แต่ถ้ามันนานกว่าเปลี่ยนไปเป็นคนเท่าคนแก่โอ้วัตถุป ร, ปรมรัตตอาการมันเป็นอย่างนี้โอ้นณิโทสะโมหะโลภะก็เป็นวัตถุเช่นเดียวกันเป็นปรมัตต์เหมือนกันเป็นอาการเหมือนกันรู้อย่างนีน้พอดีรู้อย่างนี้ก็ติตใจก็บเบาขึ้นมามาเปรียบเทียบตัวเอง น้ำหนักร้อยกิโลคล้ายๆือมันแทดไปเบาไปหกสิบกิโลถ้าพูดตามใจตัวเองในขครันั้นเรียกว่าเราเบาได้แปดสิบกิโลไปแล้วมันเปียกเทียมของปวยแบบควายในบ้านเราพอลี ว, ว่าปวยควยให้มันพุดภาษากรงเทมันให้ดูควายปวยถึกตัวหนึ่งเป็นปวยถึกตัวเล็กๆซอยออกไปมี มีควยแม่ต้องหลายตัวยตัวเมียนะแล้วตอนนี้งามละพวกใหม่คตัวถึกตัวเล้กๆของปูอะตัวเมียต้องปูอะแป้งควยแม่ไว้ได้แต่ควยแม่ตัวเมียผลปูอวตัวถึกตัวเล็กๆของปูอะไปเข้าใจสิข้าวแบบนี้ก็ต้องเอามีควยถึกตัวโตๆจะมันสมบูรณขึ้นมาเองตัวใหญ่ๆนะครไปแก้ควยถึกตัวใหญ่ๆมาพอได้ควยถึกตัวใหญ่มาควย ตัวเล็กๆมันเห็นคนถึกใหญ่ไม่ต้องแต่ไรมันเลยมันวิ่งหนีเลยทันทีเลยมันกลัวควถึกใหญ่อันตัวโทสะโมหะโลภะโสดเดียบมันกลัวกลัวโทสะโมหะโลภะตัวโทสาโมหะแล้วมันกลัวมันกลัวสติกลัวสมาธิกลัวมันก็กลัวจริงเรื่องนี่ยก็เลยรู้โอ้นี่ผมเป็นทาสอยู่ที่นี่เป็นทาสแด่แต่บันนี้กดดันตัวเองนุ่งการตื่นโย เดินเป็นพาได้แ้วเป็นพาทางสิตใจอย่างนี้มักเป็นข้อปฏิบัติเพื่อถึงความแบบผูกมักนิดหมายถึงเบื้องความคิดเึืงมันคิดในเองมันเปลนแปลอย่างนี้ผลของมันคือมันเบ า, าเนี่ยโอ้ได้ทีแล้วก็เลยรู้เวทนาขึ้นมาเห็นรู้เข้าใจเวทนาไม่เป็นผุกแลสัญญา จำได้แล้วไม่ตลงไม่ลีแล้วสังขารปรุงไปในทางที่พอดีพองามไม่ตึงคนเหลือเฟือนุกกางเกง่งเล็กก็ได้ไม่เล็กก็ได้เขาแกอยังไงดบมันมันตึงจึงว่าเมื่อเห็นอย่างนี้โอ้เทวดานี่ไม่ได้หมายถึงตัวเหล่านี้คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามลูกมันเขาแ่้ยังง ไม่ใช่เดรุณนะเป็นนาผู้พอดูรู้อันนี้โอคนมันมีเวทนาสัญญาสังขารดิศนะตัวคนไม่ใช่เป็นหน้าตาเป็นคนดูเหมือนเดิแต่ตัวเวทนาสัญญาสังขารดิศนะเป็นเทวดาดาเป็นเทวดากับพระอันใดมีคุณภาพดีว่าเป็นพระมีคุณภาพเหนือเทวดาก็เลยรู้จริงๆ ร, รู้หมด รู้มุนเอกโอ้เทวดานี่ไม่ต้องกลัวเนี่ยเราเป็นพระแล้วก็เลยไม่กลัวเทวดาไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรทั้งหมดเลยคาวนั้นจะพูดโวากจริงให้ฟังพอดีปฏิบัติธรรมะรู้มาพอสมควรอาจารย์สอนมุนให้มุนเอาหนังเข้าท้องคนตอนนี้ก็ต้องพูดควาจริงสุขคนฟังอาจารย์นี่สอนท่านเคยไปเขมน เรียนมาจากคำนินเอาหนังเข้าท้องคนมันตายก็เลยพูดกับอาจารย์อาจารย์เอาหนังเข้าท้องคนมันตายเรื่องท่านอญญนาจนะารย์เป็นบาปนะเอาเข้าท้องคนไป่เป็นบาปผมจะให้เอาเข้าท้องผมดูท่านก็ไม่พอใจแนละ้พูดอย่างนี้พราเรารู้แล้วเรือนี้แต่อาจารย์ยังไม่รู้คนไม่รู้สอนคนรู้ไม่ได้เนี่ยใช่าะคนไม่รู้มาสอนคนรู้มไม่ได้ คนไม่รู้ต้องสอคนไม่รู้เหมือนกันยังได้ท่านคนเลยไม่พอใจไม่พอใจกระทําค่าวนั้นก็มีหนังมีหนังอีกเก้งห น, นังฝานีเอาไปแสแนมแล้วก็มาแผลมาเสียง่ายให้มันละเอียดแ ล, ปปแล้วก็เอาไปตอกปุ่มติดไปปูแล้วเอาถ้วยกินซางถ้วยลายมักตูมเล่านั้นนะเข้าใจไนะหมลายมักตูมเป็นหลายมักจักมักแจ็คถ้วยนะไปงมหนังฝานไว้ ท่านก ja. ็ไปเศษสามวันหนังมันไม่เคยหดเข้าในในถ้วยได้แบบนี้สามวันไปดูก็ไปดูด้วยกันมันไม่เข้าในถ้วยได้เขาตัวพระอาจารเอาเก็บมันก็ได้เอาเก็บว้ก็ไม่เข้าในถ้วยหนังไม่เข้าในถ้วยจริงๆเราเลยพูดกับอาจารย์อาจาย์เอาจย่างนี้ที่ปวดเข้ามาเอาอย่างไรถ้าจะเอาหนังเขาทอกผมพวกโยกงดจิตใจ ก็เอาไปเผาไปเอาไเผาไปเอาว้ทุบๆบเอาไปต้มใสบอล嘛ตมส่ักทีเลยเอามากินแล้วเข้า้องผมได้จริแต่เขางโตันดขึ้นมาแลวมันเลือออทางเก่านะครับเป็นออกทางโปนี่ยนี่เลือดออกหนังออกจากคนกับออกจากตินครับว่า โอ้ท่านไม่พอใจเลยแม้ไม่อยากดูหน้าเลยเขานี่นี่คนมีคมรู้อยู่โอ้คนนี้มันไม่ดีเขานั้นมีมนคงอีกสด้วยแล้ก็เลี่ยนกับพญานคนนี้แหละท่านสอนให้สอนให้มนไรผีก็มีโอ้โหไม่เคยรู้ว่าตัวเป็นผีไม่เคยรู้อะไรทั้งหมดเลยทวมมนก็ยังจำได้ในบางตอนท่านสอนอ ม, มพลีพลีอะไร พ อ, อกูมีแผ่ทองทั้งพาลาหน้าผากปกแก่นปันหีตีนปกแก่นปันเด็ดกคนแข้งท่อน้ํพลาคนขาท่อคนเล่นกูจับเต้นไปหอยยศทันวาพญามนต์ทั้งหลายต้องมากราบมาไหว้กูท่านสอนพอดีรู้รู่นนานเนี่มาลูกคออเนี่ยตกใจว้าทันทีเลยแต่โถคนง้อมาสอนกูขนาดนี้มกูตายแล้วนี่มันเรินอย่างนั้น นี่รู้เรื่องเทวดาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงเลยไม่กลัวผีผีอยู่ที่ไหนดีอ อ, ไอกไปบอกมันมาเลยผีไม่เหตุหักหลักคุณสิงสักสิ่งที่ไหนไปบอกมันมาเดี๋ยวนี้ก็ได้ที่นี่ก็ได้ไปบอกไปกินหลวงพ่เทียนปัะไปบอกมันมาเลยผีไม่กลัวเลยเดี๋ยวมันเห็นอาจจะมามันจะตาบขึ้นมาทันทีมันจะว้าตัวกวันมาเที่ยมโง่จริงจสิงเป็นอย่างนั้น สิ่งที่จะมาปั่วคือปั่วคนเจี่ยอดมาตเามเามามีเอาไม้เอาฟันเอาปืนมายิงกัวจริงๆหนึ่งไม่ออกไมเออกจริง ๆ, งๆเรื่องผีเรื่องไข่หนังบางปันงัวงธนูคูนน้อยเอามาเยมกกลยแต่จะปัวเลยนี่มันเป็นคนจริงแล้วเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเป็นมนุษย์ใหญสูงคนกับมนุษย์ที่ไม่เหมือนกันหน้าตาเป็นคนจิตใจเป็นมนุษย์ เมื่อเป็นมนุษย์และพัฒนาตัวเองเขาเป็นเทวดาได้พัฒนาจากเทวดาแล้วก็มาเป็นพระได้เรื่องนี้แล้วก็เดินจมกรมไปเดินจมกรมมาเนี่ยไม่นานแวบขึ้นมาที่เจนประหยัดอีกแล้วหนักเป็นเบาอีกแล้วเห็นที่เลสตัณหาอุปาทาที่เดียโอ้กิเลสที่คำว่ายางเหนียวที่อาจจะมาเคยเอา ดินเนียไปทิ้งจะไม่มันติดทันทีดินเหลวๆถ้าเอาของแข็งมาทิ้งไปมันไม่ติดเลยของแข็งกงของแข็งกระทบกันกระเด็นแรงๆโอ้มันเป็นอย่างนี้เข้าใจเรื่องกิเลสตัณหาอุปาทานกรรมพอดีรู้อันนี้ก็เดินจมกรมไปเดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละเดินไปพอสมควรก่อนเหนื่อยก็มานอนผูกขดจรง แต่ไม่ได้หวดดีนะอันนี้รับรองสอนได้เพราะทุกคนท่านก็มีเหมือนกันกับผมเหมือนกันกับอาตมาทุกอย่างทีเดียวจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาใครๆก็ตามถือศาสนาไหนนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามโกนผมก็ได้ไม่โกนผมก็ได้ไไดข่าวนั้นไม่ได้โกดผมเมาเป็นโยมเนี่ยผมยาวๆาวเสร็จก็ตัดผมผมยาวไม่ออก เอพอบีได้แต่บีพอแต่ไม่เคยบีแต่บีมาทางนี้บีมาทางนี้แต่ไม่เคยบีอย่ า, างนั้าานยังไม่เคยบีมาทางนี้ลธรรมดาแต่เดี๋ยวนี้มันรูปุมันผงไม่ไปสัน้นเลยทนอย่างนั้นเดี๋ยสอนได้จริงๆนับหลอ่อสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยคนอื่นก็มีเราก็ต้องกล้าสอนได้ที่ของจริงมันมีในคน เดินไปเดินมาเหนื่อยก็ไปนอนนอนกันหลับดับนอนตื่นขึ้นมาหมดตื่นขึ้นมาประมาณตีสองตีสามนี่แหละก็เลยมาแปรงหน้าแปรงฟันดีๆสองไปเดินจมคมเดินจมคมมีเทียนไขใต้หลักต้นกันสนนี้ใต้เทียนไขเอาไว้แล้วมันไม่มีไฟฟ้าหมนทุกวันนี้นี่จะขาดตัวหนึ่งเม็เอามอากมัน มันเป็นทุ่งนานพกพวกาออกมาเอ๊ะตัวอะไรแดงๆก็เลยโอ้ตัวตะขาบตะขาบกัดอาจจะมาเป็นเจ็บโอหน้าตาใสทีเดียวักตะข้าบกัดที่ได้ต้องเจ็บมากเขาเลยจะเอาเชียนไขามาดูสา ม, มันไปมันไกลๆแล้วก็มอกไม่เห็นโอไปแล้วก็เลยเอาเชียนไขไปบางที่เดิมก็ไปใกล้บางที่เดิม แต่แบบเดินจุมกลมอยู่นั้นเดินไปเดินมากลับไปกลับมาเนี่ยเลยเกิดเห็นรู้เข้าใจมันเป็นเองเนีวมเป็นเองอย่าไปกดทับมันให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันจริงเดี๋วนี้เราทําอะไรแต่กดทับมันรวมเป็นเองมันมันได้แสดงเต็มที่มันแสดงไม่ได้พราะเราไปกดทับมันเดยวกันอยากเป็นอันนั้นอยากเป็นอันนี้ไปมันเข้าใจอย่เลย ก็เลยเข้าใจสิโอ้สินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยยี่สิบเ็ดินสามร้อยสิบเอ็ดตัวนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นคำพูดสมมติให้คนพูดที่ยังไม่รู้ก็เลยเข้าใจวันสิ่ขันสมาธิขันปัญญาขันขันเปนว่าทีา่ลองรับได้เมือ่อขันตักมานี่แหละเขา้าใจ เ, เปรียบเทนะียบไปเ ขันตักน้าถ้าเป็นขันแตกแเราไปตักน้ําไม่ได้กินถ้าขันดีๆเอาไปจักน้ําได้กินข่าวนั้นไม่ออกไม่เหรียนเนี่ยเรีย ว, ว่ามีแยวาเังกะได้เปไม่ได้โบสินผ้าเป็นเนื้อตัําผ้าให้ฟูมิดสองเอาไปอาบน้ําได้ข่มมอนก็ได้ฟูมที่ฟูมที่มันก็ดีเหมือนเนื้อดีโอ้ฟูมขันตัําผ้ามันก็ดีเนื้อก็ดีโอ้ ขันนี่หมายถึงต่อสู้ร้องรับเข้าใจอย่างนั้นโอ้ก็เลยไปตรงกับสิ่งขันเออดสินสมาธิปัญญาคืออธิสินสิกขาอธิวิสตาเออขาที่ปัญญาสิกขาเป็น ต, ตัวเองเห็นว่าเป็นสิ่งขันสมาธิตัวเองนี่เองขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขันคือขันอันนี้มันที่ เข้าใจอย่างนั้นโยห์นเป็นการต่อสู้ทะลุให้มันแตกออกไปมาอาจารย์เข้าใจโอ้สินจะเป็นเครื่องกําจัดกีเลสอย่างหยากความกิได้อย่า ง, างยาบคือโทสะโมหะโลภะนี่ยากที่สุดเล็กกิเลสตัณหาประธานการนิย่าที่สุดมันทําลายได้งตอนเย็นตอนเช้านี่ก็เลยอันนี้ปรากฏขึ้นมามันเข้าใจจริงๆอันนี้อย่าหาว่าอวดดีนะ บางคนจะเอาว่าโอ้นี่พูดเหนือความรู้ของมนุษย์ไปแล้วโวกเกหนือมนุษย์จริงทำที่พูดนี้พระพุทธส่นรู้ไม่ได้แต่รู้ได้เพราะความสัญญาจําเต็ดจิตใจไม่รู้จิตใจมันมืดบอดอยู่นั่นนี่มันเป็นอย่างนี้จุดว่าทำที่เป็นธรรมอันนี้เป็นธรรมของเรียกว่าของพาะีรยบุคคลว่ายั้นก็ได้ทุกใจเปลี่ยนสามครั้งนั่นเ้ง ก็เลยรู้จักโอ้เราไปทํากรรมฐานเมื่อขณะเราทำเนี่ยโอ้ยมันทําปอย่างนั้นนั้นนะมันอยากไม่รู้มันไม่ใช่อยากรู้มันอยากไม่รู้ทําไมว่าพูดอยากไม่รู้ก็มันไม่เพื่อนไม่ไหวที่ไหนมันจะรู้อะไรจิตใจมันพลิกมันก็ไม่รู้มันจึงอยากไม่รู้โออยากรู้ดิอยากรู้ก็พลิกมือรู้ที่รู้ไหมรู้มันถามตัวเองโอ้อันนี้เป็นอยากรู้รู้อะไรรู้ตัวเองเนี่ย กำลังเครื่องกําลังไหวอยู่ที่นี่มันนึกมันคิดอะไรก็รู้เนี่ยก็เลยดูอย่างโอ้สมมถ า, านกรรมฐ า, านกับอิปัสนากรรมฐานมันมันแยกกันที่ตรงนี้โอ้กรรมถานนี่หมายถึงเป็นนั่งเฉยๆให้ ม, มันสงบอย่นงโอ้อ น, นั้นกรรมฐ า, านเหมือนกับคนเข้าไปในถ้ำวัดสมบัติมันมาเปรียบเทียบไว้เพราะอาจารย์ที่เขาก็เป็นเลนขาเขาถ้าบ่อยตแต่หาของ ข, องของัง หของขังนี่เก่งนะอศาจารย์องค์นี้ของขังก็เรี้ยเพื่ อ, อไฟอยู่ในมือเราแบบนี้เราเขามีคนามเสี่ยงแต่ควมืดมันไม่หนีจากเราเอาไฟมาข้างหน้ามืดมาข้างหลังเอาไฟมาข้างหลังมืดมาข้างหน้าไฟมันอยู่มือเราตอกมาเป็นมืดแบบนี้โอ้ความมืดมาอยู่ที่เราก็เลยรู้จากหลังนนเอาเดินทางออกไปนอกถ้ำแบบนี้เดินออกไปนอกถ้ำควมมืดไม่มีวางไฟก็ได้เล ปุ่มอะไม่ต้องขึ้นอยู่กับตำ ห, ำหรักตำหนักธรรมะแบบนี้จริงอะไม่ขึ้นอยู่กับตํานานจริงๆอยากคาดคิดเอาไม่ได้เรื่องนี้รู้ล่วงหน้าไม่ได้มันเป็นได้จึงรู้อันนี้ผู้กดจิตให้ฟังพอดีเป็นอย่างนั้นก็เลเดินไปเดินมารู้เห็นเข้าใจสัมผัสได้การทําบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่ ทำบาปด้วยกายคือเอากายไปตีคนแต่คําพูดพูดดีๆแต่เราตกเราตีกันเล่นๆ เ, เนี่ยถ้าว่านรกมีจริงไปตกนรกคุ้มไหนถามตัวเองถ้ามันไม่มีเราตียังไงมันก็ไม่ดีไปตีคนมันจะดีทําไมถามตัวเองแล้วทําบาปด้วยว่าจะไปพูดให้เขาเสียอกเสียใจด่าเขาถ้านรกนี้ไปตกคุ้มไหนมันก็ไม่ดีเลย ถ้าม่มีนะลกไป็นยังไงมันก็บาปแล้วบาปมันคทุกข์นันเองเพราะพูดให้ผลไม่ดีเนะี่ยแต่พูดให้ธรรมะไม่ดีเนะี่ยมันมันถามตัวเองทำบาปด้วยใจแบบ น, นี้โอ้ถามตัวเองไปแบบนี้ทำบาปด้วยกายด้วยวญญาจาด้วยใจแต่ตกนรกทุ่ไหนถามตัวเองอ่านะี้ถ้ามีจริงถ้าไม่มีเป็นยังไงก็เลยรู้อะไรตรงกันข้ามแบบ น, นี้ทำบุญด้วยกาย ถ้าสวรรค์นิพพานมีจริงเราจะไปเกิดสวรรค์ท่านไหนถ้ามันไม่มีเป็นยังไงโยกสำหรับทําบุญด้วยกายก็คือเราเดินจงกรมลืมญาติลืมมิตรเนี่ยเรื่อทําบุญด้วยกายมันถามตัวเองโอ้มันไม่มีทุกขอ้อย่างนี้จริงอสวรรค์เขอยู่ที่ไหนอก็สวรรค์อยู่ในอกและลุกอยู่ที่ใจพระนิพพานก็อยู่ที่ใจมันามตัวเองทําบุญด้วยกายเองโอทําบุญด้วยกามันพูดดีคุยดีอะไเนี้ ทำงานโดยเฉพาะตัวเองเป็นยังไงต้องรู้ไปอย่งางตอนนี้ทำบุญด้วยใจแบบนี้ใจทุกชุดนี้เธอทำอย่านี้ทําอะไรลก็ไม่ได้ทําบาททํากรรมอะไรนี่เป็นจริงเป็นทําจริงตอนนี้ทําบุญด้วยกายด้วยวยาจาด้วยใจพอดีมาตกตัวนี้แหละรู้เข้าใจสัมผัสได้พอดีตกตัวนี้เราก็จิตใจมันเสียบลงเลย อสภาพนี้เรียกว่าอาการเกิดตับรู้จริงๆเรื่อี้ใครจะพูดยังไงก็ตา ม, ามเนี่ยหรือเสื้อคนนําไหมของจริงมีอยู่ในเราพอดีดูตรงนี้แหละอันนี้มันเป็นผลเป็นผลของพระเรียบุคคลเดียวจิตใจเปลี่ยนมาแต่ระดับระดับนั้นเดียเป็นมกักเป็นขนขึ้นมาเป็นมกักเป็นขนขึ้นมามาถึงจุดที่จิตมันรูปตรงนี้แหละ มันเป็นผลของพระเดียบุคคลเรียกว่าผาโซดาผลนี้มันมาจบที่ตรงนี้เรื่องผลของพ้าโซดาบัด น, นี้อุปมาให้ฟังเหมือนกับเราเดินทางเราเดินทางข้างเดียวเนี่ยจะไม่รู้มีหลักมีตอมีไม้อะไรอยู่ที่ไหนเราจะไม่รู้เราต้องเดินกลับคืนมาอีกแล้วกลับคืนมาก็ต้องพยายามตรวจตาดูแล้วก็เดินไปเดินมา กิเลสนี่มันค่อยหายไปจางไปจางไปจางนี้พอดีมันมาตกเ ข, ข้าครั้งสุดท้ายนี่แหละมันมันมันหมดตัวเหมือนกับปีงือปูนนี่ทีเดียวปิงมันหดตัวเข้ามันแข็งตัวมันทั้งหมดเลยจนตัวของเรานี่แข็งเข้าหมดจ้หมดสุดงงยอดเลยใครายๆคือเราไม่เหยียบ ก, กับดินที่เราเดินไปนะั้นคือเราไม่เหยียบดินนี่นะมันเบาไปสบายผ ต้อเข้าใจจริงๆพอดีมันหดตัวเราเข้าใจเรื่องพระพุทธเจ้าทีเดียวเถ้าพระพเจ้าตัดผมครั้งเดียวโอ้โหตายพระพุทธเจ้าก็ธรรมดาคือคนธรรมดานี่เองเหมือนผมยาวเหมือนคันกับเราเนี่ยมันจะเป็นทำไมพระพุทธเจ้าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเข้าใจอย่างจริงๆแล้วก็เลยมาเปรี้ยบให้คนฟังเมือเ่อกับเสื้อไหนร่อนผุกซุนนั้นซุนนี้เราตากผ้าได้ ไปท่วงไปแขนข็นได้เอาไี้ไปตัดตรงกลางปึกทำไม่ได้ตากผ้าไม่ไ แ, แต่แก้ส้นนั้นส้นนี้มัดต่อตรงกลางไม่ถึงข้างนั้นข้างอีกแล้ววันนี้แก้ตรงกลางไปมัดทางส้นนั้นนี้ตรงกลางไม่ถึงแล้วมันเป็นความเปรียบเทียบอะไรแตมันเป็นน่าจะรู้ก็เลยรู้จริงๆก็เลยไปตรงออกกับที่ท่านผู้รู้เขียนเอาไว้เมื่อถึงที่สุดแล้วยานยมหนึ่ง แต่มันเถื่อนที่สุดแล้วมันอย่างนี้ไม่ใด้รู้ล่วงหน้านะลูอันนี้พูดความจริงอย่าบอกพูดขู่สัตวเลมนุษยรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์กดจําเป็นจะพูดสุดกนสนั่งเพราะว่าเรามาทีนี้ต้องสนใจเรือนี้สนใจครั้งนี้อันนี้แหละเป็นเนื้อแท้ของบุญเป็นแก่งของบุญเป็นใจทางของบุญจริงๆที่ว่าคนมีบุญแล้ว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 ที่มาเกิดเป็นคนกิงกินขาดทุนเหมือนกับเรามาค้าขายนี่แหละค้าขายไม่เป็นต้อขาดทุนคนค้าขายเป็นต้องได้กำไรอย่างดังนั้นการเจริญสติแบบนี้เหมือนกับคนแกุคนแกเรางับเขาเรียกมันไขไม่ได้เอาลูกเมันแย่เข้าไปทั้งตูมันบิดคนแกมันไขออกเ อ, เองมันไขเองมันไม่ต้องไปดึงมันให้มันเหนื่อย อันนี้ก็เหมือนกันเพียงพลิกมือขึ้นพ่วงมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงใต้เอียงหังวกม้มอะไรอะไรทั้งหมดเลนะให้มันรู้อยู่ทุกขณะทุกขณะความเป็นเองมันมีอยู่แล้วมันจะไหลไปมันจะคล้อยไปแต่เราอยา่าอยากรู้อย่าอยากเห็นอย่าอยากเป็นอย่างนี้ก็เลยตรงขันข้ า, ามที่เราอยากเป็น แล้วยักหายตัวได้เลยมันห่อไม่ดีเลยจะไปหาทําไมหายตัวได้ทําไมจะห่อได้คนมันมีน้ําหนักทำไมนั้นมันห้าสิบกิโลสี่สิบแปดกิโลนี่เราฟังเรื่อยตัวเองแล้วจะห่อได้ไหมมันห่อไม่ได้ไมันเป็นกไม่ใช่เครื่องยนต์คนไกที่มันพากันไปได้เลยคนมันจะห่อได้ทําไมมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปอยากได้บนหายตัวเนี่ย ข่าวนั้นพอเลาให้สังเป็นเด็กสุ น, นัขหมาเนี่ยหมาบ้านอาจจะมาเรียกว่าหมาไม่เคยรู้ว่าสุนัขนี้ยังไม่เคยรู้มรหมาหมามันแล่นใสเริ่มเป็นนอนขวางทางเราบางครั้งบางคั้งเราไม่ไปยืนขวางทางเรามันลองมนมนหายตัวมันได้พอสอนให้ฟังอันเราไล่มันไม่ไดีใจหมาเซ๊ะเซท่าที่ไหนไม่ไดีใจ พอเดี๋ยแล้วเดินไปใส่โอ้มันมุนมันเขาไม่เห็นนะมันเรืใจมันมันก็แลกจะืพวงหน้าอีกอันออกไปได้ป่ะโอ้ยมุนมันหายไปแล้วแล้วเพชรมันก็มุนมันแข็อันนั้นโอ้พอเราก็ไปดูพูดให้เราตันประจําได้โอ้คนมันจะหายตัวได้ทําไมไม่เป็นคนมันไม่ใช่ของทอเนี่ยพอเข็มเงืนต่อนเนี่ยตัวเข็มเรากัยังมองเห็นได้อันนี้แบบพูดกวามจริงสู่ขันสั่ง ที่พูดนี่ควบคมจริงไม่หนิท่านทุกคนเลยมีอย่างที่ผมทั้งนั้นผู้หญิงก็มีเช่นนี้ผู้ชายก็มีเช่นนี้วิธีนี้สอนได้รับรองได้เพราะเราเป็นเรามีเราเข้าใจเรื่องนี้จริงรับรองได้รับรองได้จริงๆอัตราเงินเดือนคนละพันบาทมาปฏิบัติสามป็นยากให้เปินให้เดือนละพันบาททันบาทถ้าสองพันเนี่ ในอัตราเดือนละสองพันบาทแต่ว่าห้าหกพันเอรับรองไม่ได้ไม่มีเลยแต่อัตราเงินเดือนห้าพันเองจะรับให้เกินสามเดือนมือห้าพันนี่พอที่จะหาได้จะไปขอคนนั้นคนนี้ได้สาเดือนอัตราเงินเดือนห้าพันจะหาให้ได้จึงรับรองว่าตัวเองเข้าใจหลักพุทธศาสนานได้จริงได้จริงจริงเลยรับรองได้แต่ว่าจยากสอนมาแต่เงินเดือนให้ไม่รับรอง สารเดือนจะเอาสารมือ น, นีไม่รับรองรับรองไม่ได้อาการจเจริญสติแบบนี้่อย่างนานไม่เกินสามสีทำทุกวั น, นทุกวันให้ติดต่อกันเหมือนลูกโตตัวเองคิดเอาเองอันเนี้ยเพราะตัวเองทํามาแล้วเนี่ยทำมาแล้วก็ต้องรู้ดีต้องเข้าใจที่อย่างนั้นเดี๋ยทุกวันให้ทำไมปทาทําทุกวั น, นเพราะมันเป็นงานของเรานี่ มันเป็นภูณราของเราเนี่ยใครมาถามทํำยังไงก็ทําอย่างนี้แหละคืออย่างพูดเนี่ยพูดที่ประดูจิตดูใจตัวเองอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยทําอย่างนี้อันนี้เนียยว่ะอยู่อย่างต่ำกินอย่างตับนอนอย่างต่ำทํางานอย่างสูงย่างสูงที่สุดคือชีวิตติดใหญ่ซื้อไม่ได้หายไม่ได้มีเงินร้อยล้านพันล้านกดซื้อไม่ได้ เรียนรู้สูงสูงได้ปริยาสูงสูงก็ไม่ได้จำเป็นอันนี้ต้องปฏิบัติต้องให้มันเป็นเองรวมเป็นเองมันมีนมอยู่แล้วอันนี้เคยเห็นไหมเอาฟุณซานดูออสเตรเลียใช่ไหมเนี่ยประเทศออสเตรเลียขายซีรีสคนมีไหมไม่มีโออ่าวันนี้ยอาจารย์ที่ว่าอยู่ที่ไห น, น ตลาดกรุงเทพในบริษัทกรุงเทพขายซิริส์ค น, นมีไหมทำไมเราจะไป น, นอนใจทำไมเรื่องนี้เราต้องศึกษาให้รู้จริงๆเรื่องนี้ถ้าไม่รู้โลกหาภุวศูน์สมกับบาลีเ้ยไม่ต้องพูดภาษาบาลีก็ได้พูดภาษาเรานี่แล้ท่านผููรู้สอนอาไวว่าคนเกิดมาหลอยปีทันปีกนตา่าง ถ้าไม่เห็นสภาพทุภาวะอาการเกิดดับนี่แหละชีวิตบุคคล น, นั้นเป็นหมันคำว่าเป็นหมันก็เป็นโมคะใส่ไม่ได้ชีวิตอันนั้นใส่ไม่ได้ชีวิตของคนและชีวิตของสัตว์ว่าสันธนวัฒตรงกันข้ามคนเกิดมาเพียงวันเดียวรู้สภาพไี่ภาวะอาการเกิดดับนี่เลยดีกว่าบุคคลที่เกิดมามีอายุเป็นอยู่รอยปี ผู้หญิงผู้ชายกนตามเกิดมาวันเดียวจะรู้ได้กรือรู้ไม่ได้คลิกทิ ง, ท ง, ทงตีนโตไม่ได้ปวดอุจละก็นอนอุจลาะขาที่อัตวะขาที่กินข้าวเกามีคนเอามาให้กินนอนแบะเกาะอยู่สองสลึงอยู่อย่างนั้นแน่จริงอันนั้นมันเป็นคําพูดของคนที่เ่าเล่ากันมาเรามาปฏิบัติธรรมนี่แหละจึงพูดถูกว่าที่ถูกว่า อย่าไปโมวพูดโม่คุยกันอันพูดคุยกันมันขาดทุนมันไปพูดเรื่องคนอื่นมันไม่ได้พูดเรื่องของเราจึงชอบพูดแต่เรื่องตัวเองวันนี้พูดเรื่องตัวเองแล้วพอดูตัวเองอยู่เสมออย่างนี้มันเป็นอย่างไรแบบนี้พูดถึงพระแบบนี้พระสงฆ์องค์ใดเราจะแต่กันตกอกตกใจเพราะว่าคำพูดมันพูดอย่างนี้บวชมาล้อยพรรษาแบบ บวชมาต้องอายุร้อยพัรษาพวกนั้นหากไม่รู้สภาพรูปภาว่าอาการเกิดดับนี่แหละการบวชของบุคคลนั้นเป็นมันคาว่าเป็นมันก็เป็นโมคะนั่นเองโมคะแปลว่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้สีวิตอันนั้นน่ะใช้ไม่ถูกเรื่องมันมันมันไม่เป็นตเตวาบบ น, นี้บุคคล ท, ที่บวชมาเพียงวันเดียวเอามีดมาโกนผมแล้วก็เข้าไปบวชเลยรู้ เห็นเข้าใจสัมผัสได้อาการเกิดดับบุคคลที่บวชเพียงวันเดียวเนี่ยดีวิธีกว่าบุคคลที่บวชมาร้อยพรรษาดีกว่ามีประโยชน์กว่ามีคุณค่ากว่าเนี่ยคำพูดอันนี้ก็เลยเข้าใจเลยนัดนี้เขเลยมาพูดแต้มสุดท้ายนี่พูดแล้วมันยาวไปนะพูดนี้ต่อได้สอวโมง เ, ยเลยพอจบบวชแต่จําเป็นเขาจต้องพูดเพราะว่าการพูดอย่างนี้น้อยกคนพูดที่สุด แต่วตายมันก็แบไม่ได้พูดให้คุณฟังมึงเมื่อมันหดตัวเข้านี่แหละมันแข็งตัวหมดเนื้อหมดตัวตื้ไปเคยทําอย่างนี้มือเราที่ตรงนี้ทํากับเพื่อนเพื่อนที่บ้านบุกแต่เมื่อเป็นโยมทําอย่างนี้เอามือมากดที่ตรงนี้อันนี้มันแดงพอได้แล้วกดเข้ามัหน้าขาวหรือเราจะเสียบกับอุ้มเด็ด เอามือไปแตะกระพปรเด็กเนี่ยมือมันขาวพอดีมือเราไปแตะมันขาวที่เป็นแดงๆมันจะขาวททแล้วพอดีเราเอามือออกมันจะแดงเข้าไปททอ๋อจะเป็นอย่างนี้ับถามถาวะได้เป็นพอดีดูอันนี้บนหดตัวเข้าไปเมื่อหดตัวเข้าไปไปเลยดูว่าโอนี่ก็มีหยานขึ้นมเมื่อถึงที่สุดแล้วยานย่อมนีแต่มันถึงที่สุดแล้วนะ่นยังเป็นนะไม่ถึงที่สุดไม่เป็น อันน้ปกติโอ้